ข้อความในคัมภีร์อนุญาตนะครับประมตทีปณีอัตกถาคุทตการนิกายิติวุตการนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในอารัมภกถาเลยนะครับยังไม่ได้เข้าสูตรเลย <c oughs> <c oughs> เท่าที่ฟังมานี่นะครับเคยสังเกตไหมว่าเราเรียนคุณของพระรตนะไตรอะไรไปบ้างแล้วในชั้นแรกเลยนะครับเราเรียนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่ตั้งแต่บเบื้องต้นนะครับ เช่นบทว่าพระควตาบทว่าอาระหะตานะครับเสร็จ แ, แล้วหลังจากนั้นก็มาฟังคําว่าเอวัเอวังเมสุตังเนี่ยนะครับหรือว่าอิติเมสุตังเนี่ยก็เท่ากับขยายคุณของพระอานนท์นะครับเข้าก็เรียนสังเคุณว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติ ด, ดีก็นี่แหละเหมือนพระอนนท์นี่แหละครับเป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็เรียนคุณของพระพระสงฆ์ อันเท่าเท่าที่ฟังฟังมาก็คือเรียนคุณของพระสงฆ์ทั้งพระอานุ์ด้วยและพระอุบาสิกาเนี่ยนะครับพระริยสาวกที่เป็นผู้หญิงนะที่ทรงจําพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลคือคุชุตราอุบาสิกานะครับผู้เป็นอัคคสาวิกาเอตทัคคะในด้านพระหูสูตรทรงพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับเรียนพระพุทธคุณกับสังฆคุณที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะ ผาริยสงทั้งหลายที่ท่านเป็นผาริยะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพราะธรรมนั่นเองเพราะ พ, พ, ะพระธรรมเพราะปริยัติธรรมเพราะโลกุตรธะธรรมทั้งหลายท่านเหล่านั้นเลยเข้าถึงคุณงามความดีคือตัวคัมภีตัวคัมภีอิติวุตตการนี้เป็นพระธรรมอยู่แล้วนะครับเป็นพระธรรมโดยเฉพาะพระปริยติธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้เข้าถึงโลกุตรธะธรรมได้ก็ชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับน ในช่วงนี้ก็ยังอธิบายพุทธคุณกับสังฆคุณเป็นหลักนะครับแต่พระธรรมคุณนี่แหละเป็นเครื่องชี้แนะให้รู้ว่าพระพุทธคุณนี่เป็นอย่างไรพระสังฆคุณนี่เป็นอย่างไรพระธรรมนี่แหละครับเป็นผู้ชี้ให้เห็นนะครับอาศัยธรรมะคือพระปริยัติธรรมนี่นะครับจะชี้ให้ชัดถึงพุทธคุณและสังฆคุณทีนี้ในประมตธีปนีตั้งคําถามขึ้นว่า ถามว่าก็ท่านพระอา น, นุ์เนี่ยนะเมื่อจะรวบรวมนะเมื่อทําการรวบรวมพระธรรมวินัยเนี่ยได้กล่าวคํานิทานไว้เพื่ออะไรเนี่ ย, ยกล่าวไว้ทําไมล่ะคํำนิทานเนี่ยนะคำนิทานก็คือต้นเหตุว่างนั้นเถอดเรื่องราวก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยตั้งไว้ทําไมท่านควรจะทําการรวบรวมพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่หรือเนี่ยนะนะน่าจะเอาพุทธพจน์ล้วนๆเลยนะไม่ต้องมีคําเริ่มต้นลงท้ายอะไรสักอย่างเอาแต่พุทธพจน์ เปะๆ เ, เลยนะว่างั้นเถอะทีนี้ท่านบอกว่าเฉลยว่าพระนนรนี้กล่าวคำนิทานคือเรื่องราวนี่เอาไว้เนี่ยเพื่ อ, อยังความดํารงมัน่นความไม่เลอะเลือนและความเป็นของควรเชื่อถือแห่งเทศนาให้ถึงพร้อมนะครับจุดบ่งไมายคือหนึ่งคำสอนเหล่านี้จะได้ดํารงมัน่นสองคำสอนจะได้ไม่เลอะเลือนสาม ความเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะคือทำให้ศรัทธาถึงพร้อมในคำสอนนั้นนะครับอาศัยเหตุผลสาประการเอ่อเป็นความจริงนะอธิบายว่าเทศนาที่ผูกพันอยู่กับข้ออ้างคือกาละคือเวลาเทศคือสถานที่ผู้แสดงและบริษัทคือผู้ฟังเนี่ยนะครับย่อมเป็นเทศนาดำรงอยู่ได้มั่นคงไม่เลอะเลือนและเป็นเทศนา ควรเชื่อถือนะครับคล้ายๆกับพูดแต่หลักธรรมเฉยๆเนี่ยนะครับเอ๊ะใครเป็นผู้แสดงแสดงเมื่อไหรแสดงที่ไหนใครเป็นผู้ฟังฟังแล้วได้รับประโยชน์อะไรเป็นต้นบ้างถ้าไม่มีคํานิทานเหล่านี้เลยนะครับเอ๊ะไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับธรรมะหมดนะั้นนะ่ะนะทีนะี้แต่ถ้าหากว่ามีตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพู้ทรงคุณระดับนี้เป็นผู้แสดงสถานที่ท่านแสดงก็ยังมีอยู่นะครับอย่างชัดเจนเลย เวลาที่แสดงก็มีอยู่ชัดเจนแล้วก็ผู้ฟังก็ฟังแล้วไปประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุมรรคผลได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเทศนาที่ดํารงมั่นอยู่ไ ด, ดนะ้เราก็อยากแก่ดารงคําสอนเหล่านี้เอาไว้ใช่ไหมครับคำสอนเหล่านี้เราก็ไม่อยากให้เลอะเลือนแล้วก็ศรัทธาก็จะตั้งมั่นในคําสอนนั้นๆการวินิจฉัยววหารเป็นเหมือนผูกพันอยู่กับเครื่องหมายคือเทสะคือสถานที่กาละ การเวลากัตตาคือผู้แสดงนะครับและก็โสตะโสตาก็คือผู้ฟังก็ท่านพระนนท์นี้ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมนั่นแลเมื่อพระมาหากัตริย์ทำการปุจฉาถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงแสดงเป็นต้นนะครับแห่งคัมภีร์พรหมชาลสูตร เนี่ยถ้าทีคณิกายก็ขึ้นต้นด้วยพรหมชาลสูตรว่าพระพุทธเจ้าแสดงพรหมชาลสูตรแสดงที่ไหนแสดงกับใครเนี่ยนะครับมีใครเป็นผู้ฟังอาศัยเรื่องราวอะไรจึงแสดงพระมากส ป, ปะก็จะถามพระอ น, นุลก็จะตอบแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นสูตรนั้นขึ้นนะครับอย่างมูลปริยยสูตรเป็นต้นของคำพีมัชฌิมนิกายนะครับเป็นสูตรแรกใน152สูตรนะครับ คือทีนิการมี34สูตรมัชฌิมนิกายมี152สูตรนะครับท่านมัชฌิมนิกายนี้ขึ้นต้นด้วยมูลปริยัยสูตรก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนแสดงกับใครแสดงยังไงเป็นต้นนั่นเองในคมภีอังอสังยุตตนิกายก็เหมือนกันนะครับอังคุตระนิกายก็จะคล้ายคลึงกันท่านจะทําการวิสัชญะปุจุชาเหล่านั้นจึงกล่าวคํานิทานไว้โดยในเป็นต้นว่า เอวมเมสุตังแต่ในที่นี้ท่านกล่าวเหตุไว้แล้วแลเพราะระบุถึงกาละและเทศะคือกาละนี้คือกาละไหนกาละที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพนนะีเทศะก็คือสถานที่ในวัดของอเศรษฐีทั้งหลายที่สร้างให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นะครับ mm. ผู้ที่ไปฟังก็คือนางค mm. ุชุตระอุบาสิการับฟังแล้วก็ไปแสดงต่อให้กลุ่มพระนางสามาวดีฟังเนี่ย น, นะครับ อีกประการหนึ่งนะครับที่แสดงคํานิทานเนี่ยที่ท่านกล่าวเอาไว้ก็เพื่อประกาศสมบัติของภาษาสระนะครับคือสมบัตินี้แปลว่าความถึงพร้อมของพระพุทธเจ้านะครับว่าเป็นผู้ถึงพร้อมหรือว่ามีคุณนะนะเหมาะสมในความเป็นภาษาสดาแล้วจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระตถาคตานะนะใช้คําว่าพระตถาคตนะตถาคตหมายคำว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นเสด็จ ามาถึงธรรมะอันทองแท้เนี่ยนะครับเสด็จ ร, รู้ธรรมะอันทองแท้กล่าววาจาที่จริงแท้เป็นต้น น, นะนะคือลักษณะความหมายของตถาคตหรือว่ามาถึงพยานอันทองแท้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยนะครับทรงสำเร็จความเป็นพระอรหรันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีการรดนาไว้ก่อนเนี่ยนะคือพอพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะ การแสดงธรรมก็ไม่ต้องมีการรจนาขีดเขียนไว้ก่อนเลยไม่มีการเรียบเรียงก่อนเลยไม่มีการอนุมาณนะนะคาดคะเนนี้ไม่มีนะครับไม่มีตักกะในปริยัติคือพระองค์เนี่ยนะมองเห็นแจมแจ้งแล้วก็ไม่รู้จะคาดเดากะเอาไปทำอะไรใช่ไหยครับไม่ต้องตรึกไม่ต้องตรองก่อนเพราะพระองค์มองเห็นอยู่แล้วเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นธรรมราชาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีตักกะอะไรเพราะน ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีความต้องการด้วยการรจนาไว้ก่อนเป็นต้นเพราะทรงมีพยานสอดส่องไปไม่ถูกขัดขวางในธรรมะทั้งปวงนะครับเขาบอกว่าแค่ประสงค์จะรู้รู้เลยนะครับรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วยานนั้นก็ไม่มีอะไรกางกั้นเรียกว่าอนนาวรณญาณ น, นะครับเพราะทรงมีประมาณเป็นหนึ่งในยยธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับสอดส่องมองเห็นหมดเลย อันนี้คือสัมมาสัมพุท ธ, ธะนะว่ารู้สรรพสิ่งโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะกาละเทสะสถานที่ไหนอย่างไรทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะยังถึงหมดเลยแล้วยังถึงเมื่อไหร่ครับประสงค์จะ ร, รู้ก็รู้ทันทีเลยนะในอัตรกระถาสังยุตตานิกายกล่าวข้อความตอนหนึ่งว่าชั่วหายใจเืดเดียวเนี่ยนะชั่วหายใจเข้าออกเนี่ยพระองค์ระลึกได้91กับนะครับทักเดียวเนี่ยนะขนาดนั้นนะครับพยานของพระองค์แล้วก็ไม่มีอะไรขัดขวางเลยนะครับ นี่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิยานนะอันนี้ก็คืออธิบายจตุเวสาราชยานข้อหนึ่งนั่นเองนะครับว่าพระองค์นี้มียานที่สอดสองไม่มีไรขัดขวางเลยนะมั น, นเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานหรืออนนาวรณญ า, านเป็นต้นนั่นเองอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสําเร็จเป็นพระขีณาสพนะครับขีณาสวะคือผู้สิ้นอาสวะหมดแล้วเนี่ยน ะ, ะทรงสําเร็จความเป็นพระขีณาสพได้เพราะไม่มีกรรมมืออาจารย์คือความตนีธรรมะ รพระองค์ไม่รู้สึกตนีว่าอสอนอย่าสอนให้เขาหมดนะเดี๋ยวเขาจะรู้เท่าเราเป็นต้นเนี่ยไม่มีครับนะและความยินดีแม้แต่น้อยในผู้ฟังคําสอนของพระองค์เพราะว่าธรรมะเหล่านั้นหาเกิดแก่พระกีนาศพโดยตลอดไม่นะครับว่ามีเสน่หหาในผู้ฟังก็ไม่มีนะครับเรียกว่ารักชมชังลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในผู้ฟังก็ไม่มีตนีนรทำก็ไม่ไม่เกิดสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับ ไปพิสวัสดผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับนะครับคือไม่มีความสุนิหายินดีใช่ไหมครับในในผู้ฟังแม้แต่น้อยเลยคือในลนักษณะด้วยฉันทราคะเนี่ยนะไม่มีจะมีด้วยพระมหากรุณาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคือความประพฤติของพระผู้มีพระภาคนะครับที่อนุเคราะห์ผู้อื่นจึงเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะครับสะอาดบริสุทธิ์อย่างสุดยอดว่างั้นเถอะ ไม่มีชันทราคะลัอียังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือโทสะขัดเครื่องไม่มีเลยคือโดยธรรมดาทั่วไปนี่นะครับคนที่รู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะตนีใช่ไหมครับจะตนีวิชาการนั้นๆอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ตนีก็จะให้เฉพาะคนที่ตัวเองโปรดปรานเนี่ยอย่างหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้ในทัศสัจธรรมทั้งหมดเนี่ยนะไม่รู้สึกตนีในธรรมะนั้นเลย แล้วก็ไม่ว่าโอ้โหคนนี้นะฉันต้องแสดงให้พิเศษนะนี่แกเป็นพระราชามาฉันต้องเทศเยอะหน่อยนี่แกยาจกมาแกเอาไปคําเดียวก็แล้วกันอย่างนั้นไม่มีนะครับแสดงเท่ากันหมดมีความอุตสาหะเท่ากันหมดก็บอกว่าเหมือนราชสีเนี่นะครับแม้แต่จะฆ่ากระต่ายก็ใช้ความเพียรพยายามเท่ากับฆ่าฆ่าเสือฆ่าช้างนั่นแหละครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะได้ศูญเสียเลยอย่างนั้นคล้ายว่าเดี๋ยวเสียเฉาเสียอะไรเป็นต้น น, นะน่ะ พงษ์นี้เป็นผู้เคารพธรรมนะครับจะแสดงธรรมให้พระราชาหรือนายพลเนศศาสตร์ฟังเป็นต้นพง ก, ก็ตรัส ด, ด้วยความวิริยะอุตสาหะเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะฉนั้นจะไม่มีลําเอียงสิ่งเหล่านี้ที่ทําได้แบบนี้ก็เพราะความที่ท่านเป็นพระขีนาสพสิ้นอาสวะเป็นอ า, อาสวะเนี่ยนะเครื่องหมักรองไม่ว่าจะเป็นโลภะทิฏฐิหรืออวิชานี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆอันนี้ก็ขยายอะไรครับขยาย ขีณาสวัปฏิญญานั่นเองนะครับข้อหนึ่งก็คือสัมมาสัมพุทธปติญญาข้อสองก็ขีณาสวัปติญญายกย่องจตุเวสารชยานสองข้อแรกนั่นเองนะครับความสําเร็จแห่งเวสารชยานสองข้อข้างต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัมมาสัมพุทธปฏิญญากับขีณาสวัปติญญาเนี่ยนะครับมีได้ด้วยสัมพุทธภาวะมันไงเสัมพุทธภาวะคือตรัสรู้โดยเอโดยพระองค์เองโดยชอบเนี่ยนะ และวิสุทธิภาวะความบริสุทธิ์น ะ, ะความบริสุทธิ์นะั้หมายถึงความเป็นพระคีนาสบนะคะที่บ่งถึงความไม่มีโดยสิ้นเชิงแห่งอวิชชาและตันหาไม่มีตันหาเป็นเครื่องฉาบทาไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแห่งความเค้าแม้แต่นิดเดียวอันนะอันเป็นตัวประทุสร้ายทิฏฐิสัมปทานะถ้าหากว่าผู้ที่มีอวิชชามากๆทิฏฐิก็จักวิบัติถ้ามีตันหาศีลก็จัก วิบัตินะครับแต่พราะพระ อ, องค์ไม่มีอวิชชาและตัณหาทําให้สัมมาทิฐิคือพยานทั้งหลายเปี่ยมพร้อมบริบูรณ์แล้วก็ศีลของพระ อ, องค์ก็บริบูรณ์นะครับแต่โดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วสําหรับสัพท์ทั่วๆไปนะอวิชชาตัณหาเนี่ยเป็นตัวทําให้ศีลเอ่อทำให้ทิฐิเขวไปนะครับสัมมาทิฐินี่เขวไปทําให้ศีลเนี่ยเศร้าหมองพอศีลเศร้าหมองก็เลยหลายความเศร้าหมองอันนี้ก็เลยทําให้ผู้แสดงเนี่ยเศร้าหมอง แล้วก็ที่ทำยาณสัมปทานและปะหานะสัมปทาให้ปรากฏนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยาณสัมปทานั้นเป็นชื่อของสัมมาสัมพุทธะนะครับว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยถึงพร้อมด้วยยานขีณาสวะเนี่ยบ่งถึงปหานะนะครับไออวิชชาเนี่ย ya, ถูกละหมดแล้วตันหาก็ละหมดแล้วเพราะฉะนั้นละอวิชชาด้วยยานละตันหาด้วยปหานะนั่นเองนะคะรับปะหานะสัมปทาน อันนี้ก็ขยายเน้นขยายเวสารัชยานสองข้อแรกนะครับ1สัมมาสัมพุทธปฏิญญา2ขีนาสะวะปฏิญญาและความสําเร็จเวสารัชยานสองข้อหลังคืออันตรา ย, ยิ่งก ร, รมาวาทะและก็นิยานิกรรมเทศนาเนี่ยนะครับมีได้เพราะสําเร็จความไม่งมงายในอันตรา ย, ยิกธรรมและนิยานิกธรรมนั้นนะครับคือพระพุทธเจ้านี่นะครับไม่งม ง, งายเลยว่าอะไรมีโทษมั่ง ะนะไม่งมงายในธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์ว่างั้นเถอะธรรมะที่ให้จมอยู่ในวัตฏะพระองค์ก็ไม่เข่าไม่โง่ในเรื่องนั้นอ่ะนะธรรมะที่จะทําทให้ออกจากวัตฏะพระองค์ก็ไม่ไม่เข่าไม่โง่งมงายเนี่ยนะไม่โง่เ ง, งางี่เงาอะไรนี่ไม่มีสักอย่างอ่ะนะแสดงว่ารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้จมอยู่ในวัตฏะอย่างหนึง่งอะไรเป็นเหตุให้ออกจากวัตฏะเนี่ยพระองค์ก็รู้นะครับ เพราะฉะนั้นทำที่เป็นอันตรายเรียกว่าอันตรายยิรรย่งกรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ทําให้จมอยู่ในวัฏะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามนั้นนะเช่นอันตรายยิกธรรมคือกรรมนะครับทำอนันตรริย ก, กรรม5้านี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับหรือว่าอันตรายยิ่งกรมคือกิเลสเช่นเป็นมิจฉาทิฐิที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับหรือว่าอันตรายยิกธรรกรมคือพวกที่ปฏิสนธิด้วยเหตุ ก, ตกาก็ยาก ถึงจะได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับหรือว่าอันตรา ย, ยิกรรมถ้าหากว่าสามข้อต้นมีบทแล้วแต่ว่าอานาวีติกมะเนี่ยนะครับเป็นผู้ล่วงศีลล่วงพระวินัยล่วงละเมิดบทบัญญัติคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันตรา ย, ยกระทำเหมือนกันนะครับเราสังเกตจากบทปาติโมกเนี่ยนะครับที่มีวา่าถ้าหากว่าผู้ใดรู้แล้วไม่เปิดเผยอาบัติที่มีอยู่เนี่ยนะครับ สัมปชา н а มุสาวาตย่อมมีแก่เธอท่านทั้งหลายสัมปชานามุสาวาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตรายนะครับคืออันตรายต่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นนั่นเองนะครับในในนิทขออภัยนิทานนุเทศนะครับในของการสวรดปาติโมกขนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอันตรายยึดกระทจริงๆนะครับถ้าล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติหรือว่าข้อสุดท้ายคื อ, อ อริยประวัตินะครับการกําจัดคุณของพระอริยะเจ้านะครับท่านมีคุณแล้วว่าไม่มีคุณถ้าเท่าที่สังเกตนะครับผู้ที่อ่านคัมภี์ของพระพุทธโคสาอาจารย์นะครับท้ายๆคัมภีร์เนี่ยถ้าอธิบายว่าพระพุทธโคสาอาจารย์เป็นคนที่ไม่ข้องขัดในอุตริมนุสธรรมมีปฏิสัมพิทาสีเป็นด้นใช่ไหมครับนั่นก็บ่งว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วนะครับทีนี้ผู้ที่เข้าใจว่าพระพุทธโคสาอาจารย์ไม่ใช่พระอรหรันต์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าท่านเป็นแล้วบอกว่าไม่เป็นนะครับถ้าท่านเป็นนะครับเราบอกว่าไม่เป็นนะนะครับคือดูในท้ายๆคำภีทุกๆคำภีที่ท่านเรียบเรียงนะครับในอัตถกถาภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ตามจะพนนาคุณของท่านว่าท่านเป็นไม่ข้องขัดในอุตริมนุษธรรมนะครับต่างด้วยปฏิสัมพิทาพิญญาเป็นต้นนะครับเนี่ยนะเป็นมหาไอเป็นมหาวยากรใหญ่เป็นต้นเนี่ยนะครับนน ท่ถ้าหากว่าท่านเป็นแล้วเราบอกว่าไม่เป็นนะครับนั่นอายุประวัตนะครับอันตรายเขาบอกว่าอายุประวัตเนี่ยนะครับหนักเท่ากับอนันตเริยกรรมคือตกนรกไม่มีระหว่างขั้นเหมือนกันแต่แต่ว่าอริยุประวัติเน่ยพ้นได้ด้วยการขอขามานะครับคือจะต่างจากอนันตริยกรรมตรงที่ว่าอนันตรียกกรรมถึงขอขามาก็ไม่พน้น แต่อริยปวารเนี่ยนะครับขอขมาแล้วพ้นแต่ถ้าไม่ขอขมาก็พอกับอรรณยกรรมตกนรกแน่นะครับแล้วพระองค์ตรัสว่านะอย่างที่สุนัขตาฤชวีบุตรตําหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ า, ามรรคผลไม่มีในพระสัมม า, าในในพระสัมมาโคโดมะนะพระสัมมาโคโดมเนี่ยแสดงธรรมด้วยตักกะแต่ว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาโคโดมเนี่ยบรรลุมรรคผลได้จริงทีนี้ไอสุนัขตาฤชชวีเนี่ยกำจัดคุณ ที่ที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปแล้วตอนท้ายพระ อ, องค์ตรัสว่าถ้าหากว่าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละทิฐินั้นเสียนะครับพระ อ, องค์บอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเหมือนกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ยิ่มในอรหัตตผลฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่มีอุปมาที่ไหนที่จะหนักแน่นเท่านี้อีกแล้วนะครับก็อบอกผู้ที่ที่มั่นคงในศีลสมาธิปัญญาก็อรหัตตผลก็ไม่ยากใช่ไหมครับ ทีนี้ฉันใดผู้ที่ว่าร้ายพระริยาเจ้าแล้วก็ไม่ทําคืนไม่แสดงคืนนี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับแต่เท่าที่ผมดูท้ายๆคมภีร์ทุกๆคัมภี์ที่ท่านรจนาแล้วนะครับเห็นว่ า, าท่าน ไ, ไม่ข้องขัดในอุตริมนุสธรรมนะครับมีอภิน ญ, ญาปฏิสัมพิทาและปฏิสัมพิทาจะมีกับพระริยะเท่านั้นนะครับปฏิสัมพิทาเนี่ยถ้ามีใช้ที่ไหนแสดงว่าผู้นั้นเป็นพระริยะบุคคลนะครับ มันสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายยิกธรรมนะครับแล้วก็โพธิปัจขิยธรรมทั้งหลายนี่เป็นนิยานิกธรรมคือนิยานิกรรมนั้นก็คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะครับเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกขจริงๆนะครับเพื่อเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกจริงๆเพราะเหตุนั้นด้วยคํานิทานเป็นอันพระอน น, นุเถระประกาศการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยเวสาลัชยานทั้ง4อย่างนี้นะครับ อันเป็นที่อาศัยบําเพ็ญประโยชน์เพื่อพระองค์นะครับและประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะทรงแสดงพระธรรมเทศนาด้วยพระปฏิญญาที่เกิดขึ้นตามฐานะที่ควรนะครับเหมาะสมกับอัธยาศัยของบริษัทเนี่ยนะคือปฏิญญารามที่ควรนี่คือปฏิญญาที่พระองค์จะช่วยสงเคราะห์สัตว์ใช่ไหมครับแต่ก็จะสงเคราะห์ตามอัธยาศัยของบริษัทคือผู้ฟังเนี่ยนะผู้ ประสบพระองค์แล้วในที่นั้นๆ น, น, นะครับแต่ในที่นี้ควรประกอบคำพูดว่าการละโทษของกามโดยไม่มีส่วนเหลือและโดยการแสดงถึงพระธรรมเทศนาตามวิธีคือมุ่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีกิเลสแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแล้วก็การแสดงธรรมก็แสดงธรรมไปหลักของหลักธรรมทั้งหมดนะครับไม่มีการคลาดเคลื่อนเลย ด้วยเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าท่านพระอนุ์เนี่ยกล่าวนิธานพจน์นะครับคือเหตุแห่งคําแห่งพุทธพจน์นะ่ะนะเอาไว้เพื่อเพื่อประกาศคุณนะสมบัติของพระศาสดาเพื่อยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยจะต้องกล่าวถึงนิทานคือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของธรรมะนั้นๆนะครับอันหนึ่งในเรื่องนี้ท่านแสดงถึงการประกาศเนื้อความให้แจมแจ้งตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหนหลังนั่นเอง ด้วยบทเหล่านี้ว่าพระวตาและอระหาตาอันหนึ่งผานนนเทระเนี่ยนะครับกล่าวคำคำนิคมคำนิคมก็คือคำลงท้ายไว้เพื่อประกาศคุณนสมบัติของศาสนาอันนะคำเริ่มต้นเพื่อเพื่ออะไรครับยกย่องพระพุทธเจ้าคำลงท้ายเพื่อยกย่องพระธรรมนะครับเพราะว่าข้อปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระกิริยาทุกอย่างอันพระญาณและพระกรุณาประคองไว้ ที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์เท่านั้นคือเห็นแก่ตัวจะไม่มีนะครับสิ่งใดที่เป็นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แกสัตว์หรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้าตัวเองเนี่ยนะเข้ายาเข้าพระองค์อย่างเดียวพูดแล้วคนอื่นเสียเข้าเฉพาะพระองค์อันนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมแม้ทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีภาคกิริยาทุกอย่างที่เป็นไปแล้วเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทีเดียว นะครับทำทุกอย่างเพื่อศัตว์ใช่ไหมครับนนะที่กําลังกล่าวถึงตามที่กล่าวตามที่เป็นไปแล้วชื่อว่าเป็นคําสอนเหมือนกันเพราะอาธาิว่าเป็นเหตุสอนศาสตร์ทั้งหลายได้เนืองๆตามความเหมาะสมกับประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นไปในประโยชน์3ประการนะถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับการศึกษาพระธรรมของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเอาประโยชน์สมอย่างนี้มามาเป็นเครื่องวัดมาเป็นหลักนะครับเอประโยชน์โลกนี้แต่ถ้าประโยชน์โลกนี้เราก็ควรเพ่งด้วยนะขัดกับโลกหน้าไหมแล้วประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะครับมันขัดกับประโยชน์อย่างยิ่งไหมบางชนเนี่ยโหอาจจะปรารถนาทําบุญใหญ่แล้วปรารถนาประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกหน้าดูนะครับถ้าไปเกิดในประเทศมิจฉัที่ทีเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งเสียหายไปนะครับสมมตินะเราทําบุญให้ทานแม้ตั้งความปรารถนาขอให้เป็น จกักพัดอย่างนี้นะครับขอให้เป็นใหญ่หเป็นโตบางทีถ้าเกิดไปเป็นผู้นํามิจฉาทิฏฐิอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ตัวเองก็จะเสียประโยชน์อย่างยิ่งไปเพราะฉะนั้นทําอะไรเพื่อประโยชน์โลกนี้ควรเล็งถึงประโยชน์โลกหน้ า, าเล็งประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ควรที่จะเล็งถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยนะครับมองให้สามชั้นเลยนะครับนะแล้วคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่พระองค์รดจนาเอาไว้ทั้งหมดนะครับคือพระองค์ไม่ได้เรียบเรียงไว้ก่อนนั่นเองนะครับ ท่านประกาศพระจริตของพระศาสดานี้นั้นไว้ตามสมควรด้วยนิทานพจน์ทั้งหลายที่อ้างถึงกาลเทศะผู้แสดงและบริษัทนี่ก็คือหมายถึงจริตคือความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่พระองค์ทรงเป็นไปในขณะแสดงธรรมแสดงธรรมแล้ว ศาสนาจะดำรงอยู่ยังไงผู้ฟังแลว้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานยังไงนะการเรียบเรียงคำเบื้องต้นหรือคำลงท้ายเป็นต้นก็เพื่อให้มองเห็นความเป็นไปเหล่านั้นอย่างชัดเจนนั่นเองในที่นี้ควรประกอบถ้อยคำว่าที่อ้างถึงผู้แสดงและบริษัทเข้าไว้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าศาสนะสัมปัดติบ ประกาศนัดถังนิทานวจนังแปลว่าท่านกล่าวนิทานโพสไว้เพื่อประกาศคุณสมบัติของาศาสนานะครับราศาสนาที่พระาศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นแล้วาศาสนาเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสัพพะาศาทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวนิทานโพสไว้เพื่อแสดงว่าคําสอนเอาเป็นประมาณได้นะ คือคือเอาเป็นประมาณนะครับเอาคําสอนเป็นประมาณเมื่อเราจะทําอะไรทําอะไรก็เอาคําสอนเป็นประมาณนะ่ะนะเ <Bru. S 1> พราะประกาศว่าภาษาสดา<ว>เอาเป็นประมาณได้ถ้าคําสอนเชื่อถือได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเชื่อถือได้ถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อถือได้แสดงว่าคําสอนของพระองค์ <tez. S 1> ก็เชื่อถือได้นะครับถ้าว่าบอกผู้ใดบอกเคารพพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อถือพระธรรมนี่ก็ควรเอะใจไว้เหมือนกันนะครับผู้ใดบอกฉันนี่เคารพธรรมจริงๆเลยแหละ แต่ว่าไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังยากเหมือนกันหรือบอกโอ้ยฉันนับถือพระพุทธเจ้าจังแต่ไม่สนใจในคําสอนเลยก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พมันระษาสดาคือผู้ที่กล่าวธรรมนะครับอย่าลืมว่าธรรมะคือของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็การแสดงว่าคําสอนนั้นเอาเป็นประมาณได้นั้นอ่ะเพิ่งทราบว่าได้ประกาศไว้แล้วด้วยบทเหล่านี้ว่า พระคาวตาอารหาตาตามแนวแห่งนัยยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังเห็นไหมก็คือนะผู้ที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าพระคาวตากับอารหาตาเนี่ยนะครับเป็นคุณสมบัติที่สูงเยี่ยมยอดแล้วเพราะฉะนั้นคำพูดของผู้ที่สูงเยี่ยมยอดขนาดนี้เนี่ยนะถามว่าควรเชื่อถือได้แค่ไหนว่างั้นเถอะเขาบอกว่าควรเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็อยู่ที่บุคคลผู้กล่าวนะครับถ้าบุคคลผู้กล่าวสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ควรเชื่อถือที่สุด แสดงว่าคํานั้นนั้นถือเป็นประมาณได้ใช่ไหมครับคล้ายว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั้นออกมาพูดในเรื่องนั้นนั้นนะแสดงว่าโอ้โหเชื่อถือได้เชื่อถือได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยพระคัมภีรตามมีพระมหากรุณาที่คุณบำเพ็ญบา ร, รมีมาเสียสงไข่แสนกลับเนี่ยนะพระมหากรุณาอันนั้นทําให้ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกยากลําบากอยู่ในสังสารวัฏก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายแต่ที่นี้ไม่ใช่ว่าปรารถนาจะช่วยสัตว์แต่ก็ยังกิเลส ช, ชุ่มเต็มหัวใจก็ไม่ใช่อย่างนั้ ตั้งความปรารถนามาอย่างดิบดีแล้วตอนหลังก็ลักกิเลสเป็นสมุเทเฉทปะหารไม่มีกิเลสให้มีอคติอะไรสากอย่างเลยนะคารุณากับความบริสุทธิ์นี่แหละครับที่จะช่วยเหลือกเกื้อกูลสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สรรพสาตทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คํานี้แสดงเพียงช่องทางของประโยชน์แห่งคํานิทานพจน์เท่านั้นนังนี่เลอันนี้พระธรมรมมาปาละผู้เรียบเรียงคัมภีร์ปรมาจารีปณีนี่นะครับท่านบอกวันนี้ช่องทางนะ แสดงว่านี้ไม่ใช่สิ้นเชิงอยู่แค่นี้นะครับ เ, เพียงแต่ให้แนวทางเอาไว้เท่านั้นอ่างั้นเถอะนะโดยจะเอาคำสอนหมวดอื่นๆมาประกอบก็ได้นะครับถ้ามีสติปัญญาพอที่จะประกอบได้